หลวงพ่อก็จะมาเทศตลอดก็สมใจหลายคนที่ตั้งใจมาฟังธรรมกันตั้งใจมารับรู้รับฟังครมาเทศนาธรรมเทศนาที่หลวงพ่อท่านสรุปจากประสบการณ์ของท่านแล้วนิมิตหมาย นี่เป็นหมายของผู้ปฏิบัติที่มาให้สัมผัสนะเราควรจะชีนะ้จะพูดตรงไหนและก่อประโยชน์นะทำให้จัตสนามันเจริญงอกงามในใจคนในภาวความรู้สึกตวนทำให้สเทินสะเทินทั้งสุขสเทินทั้งทุกนะอยู่กับสุขไม่ต้องจมสุข อยู่ทุกข์ไม่ต้องอมทุกข์มันสะเทินไม่มีความรู้สึกตัวไม่มีการเคลื่อนกันไหวไม่เคยฝึกกรรมฐานมันมีแต่สะเทือนสะเทือนใจติดจิตตกค้างจนเปียกแช่เน่าในเป็นมันถินเครื่องเศร้ามองต่างๆ เป็นความทุกข์ระทมแสดงออกทางกายวาจาใจเราก็มาฝึกให้มันประเสริฐมันประเสริฐมันก็อยู่เหนือทุกข์จิตมันสูงมันมีมดมันหลุดมันพ้นมันไม่ตกต่ำไปความเสื่อมทางเสื่อมมันมีมันก็ไปทางเสื่อม ทาสูงมันมีกันไปทางสูงจิตสูงมันจิตประเสริฐความรู้สึกตัวมันยังเป็นเครื่องหมายของนักกรรมฐานนักกรรมฐานก็กำหนดรู้ความรู้สึกตัวเลลึกรู้ความรู้สึกตัวเจตนารู้ความรู้สึกตัวจนกระทั่งมันเหนือเจตนามันเข้ารองเข้าอรอย ลองลอยความรู้สึกตัวมันชัดเจ น, นจนรู้รอบกองสังขารรู้แต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะจักยาแปรละเอียดก็จึงควรฝึกฝนจนจานา น, นเห็นรูปนามจนจานานเห็นนามรูปจนจำนา น, นเหมือนเมื่อกี้ที่เราสวดกันน่ะ เราทำมังตะติโสมังตรติมาได้เห็นธรรมมานั้นเห็นเรามากมายที่มแสดงออกเป็นปรากฏการณ์ต่างๆเป็นอาการต่างๆเป็นกิริยาการต่างๆวัตถุหนึ่งสองสามบุคคลหนึ่งสองสามภายนอกก็มีภายในก็มีถ้าจะพูดไปแล้วมันยาวแต่ถ้าจะรปให้สั้นๆก็คือ ความคิดนี่ยตัวคิดตรุงตัวแต่งมันสั้นที่สุดละตัวกลางที่หลงเพล่ไปในความคิดมันก็จะปรุงคิดแล้วโลภคิดแล้วโกรธคิดแล้วหลงคิดแล้วรักคิดแล้วชังแพบปูมทั้งนั้นนะคิดแล้วดีใจคิดแล้วเสียใจคิดแล้วสุขคิดแล้วทุกตัวคิดนีอันนี้มันสั้นรู้ทันความคิดก็มีปัญญาในระดับที่เราวิปัสสนา มีปรัชนาเมื่อเรามาดูก็เหมือนทัศนาจรมาเราดูเราต้องเห็นสถานที่หนึ่งสองสามสี่ห้าวัตถุภายนอกดุลก้อนต่างๆแต่วัตถุภายในมันเป็นนามรูปเป็นตัวคิดมันเป็นวัตถุเหมือนกันมีการกระทบมีการกระเทือนแต่มาเรารู้ทันมันก็สะเทือนออกมาหลุดพ้นออกมารู้แล้วจบทันทีรู้แล้วปล่อยทันที รู้แล้ววางทันตีรู้แล้วก็ว่างทันตีนั่นคือพลังพลังของสติของปัญญาความรู้สึกที่ฐานกายนั่งเดินยืนน อ, น, อนนั่นคือรูปแบบของการปฏิบัติธรรมอันนี้ไม่ใช่ถูกไม่ใช่ปิดใครหมออย่างไงใครสนใจยังไงใครจฉลีย่ยที่ใส่ยังไง เ, เราก็ศึกษาเสร็จแล้วเราก็ฝึกหัดเพราะว่าเรา เป็นนักศึกษานักศึกษาเรากําลังเดินทางคะับเสร็จแล้วมันก็มีรูปแบบต่างๆสานักนั้นก็อ้างว่าอย่างนั้นถูกสํานักนี้ก็อ้างว่าอย่างนี้ถูกจริงๆมันไม่มีใครถูกใครผิดหรอกเหงื่อก็กินซะอาหารอยู่ตรงหน้าแล้วจานอะไรก็ช่าวมันเถอะมันเป็นอาหารอาหารไทยอาหารจีนอาหารแล้วแต่ะ หิวแล้วก็กินใะแต่ว่าอาหารได้กินไม่เป็นมุมมาเกินไปกินมากเกินไปเกินพอดีมันก็สังหารแค่นั้นแหละการที่จะพอดีซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอที่มันสุดมันโจมลงไปให้มันดีหรือว่าให้มันพอใช้ได้ถึงไม่ดีมันก็พอใช้ได้หรือว่าดี ด, ดีมากดีที่สุดมันก็ขึ้นอยู่กับการรู้จักระมัดระวัง ไม่ประมาทมีสติมีปัญญามันก็หยิบอะไรมาใช้มันก็พอดีสีนสมาธิปัญญาประชุมก็พอดีไม่มีอะไรมากไปน้อยไปกันวางกายวางใจวางหน้าวางตาวางแขนวางขาเรื่อบทการเคลื่อนกันไหวความช้าความเร็วก็พอดีมไม่มากไปไม่น้อยไป การจะพูดการจะฟังการจะดูการจะใช้อายะนาหก็พอดีนีก็เรียกว่าสุขาวิปัสสโกการกําหนดรู้ทุกเรียบทนั่งเดินยืนนอนกู้เหยียดเคลื่อนไหวการกินการขับถ่ายการเคี้ยวการกลืนการพูดการนิ่งมันก็จะมีความพอดีในเรียบทในการดํารงชีวิตทางตตื่นยันหลับ นะความรู้สึกตัวมันก็จะชัดขึ้นชัดขึ้ น, ช, นชัดขึ้นจากในรูปแบบไปนอกรูปแบบนะรูปแบบอะไรก็ตามก็ฝึกไปเถอนะแต่ว่าในส่วนตัวเห็นว่าการเคลื่อนการไหวนิชัดเลือเกินนะการเคลื่อนการไหวตัวนะกล้งที่กระตบสัมผัสรู้สึกนะการซักซ้อมมันจะเป็นรูปแบบสิบสี่จังหวะแต่ตายสุดมันไม่ใช่สิบสี่จังหวะหรอกมันจังหวะเดียวคือรู้อย่างงี้นะ มันไม่ล้มก็หลงไอจังหวะหลงนะั้นเราไม่ได้ผลิตเราไม่ได้กระทำเราทํากรรมฐานก็คือรู้ที่ฐานกายจนเห็นกายสภาวะกายไม่ใช่สตัวตนบุคคลเราเขาเห็นกายในกายมันเป็นยังไงกายในกายกายดุ้นก้อนกายที่เป็นความรู้สึกมันส ซ, ซ้อนกันอยู่เป็นปัจจุบันเหมือนกันแต่ดุนก้อนเนี่ยเราถนัด จ, จับต้องได้ยาบวยาวที่สุด มันเหมือนหุ่นยนต์เครื่องยนต์เหมือนตัวหนะะังตะลุงเหมือนตัวห <ul> <ale> <transition> ุ่นกระบอกมันเหมือนดนก้อนตัวๆไปที่เป็นรูปธรรมเหมือนต้นเสาเนี่ยแหละแต่ต้นเสาไม่มีจิตวิญญาณเฉยๆแต่ว่าชีวิตมนุษย์มันมีจิตวิญญาณมันก็เลยมีอะไรหลายๆอย่างรู้สึกได้มันมีจิตมันมีวิญญาณกายยวิญญาณจิตต่วิญญาณ ืิวหาวิญญาณมันมีวิญญาณอยู่แต่ว่าละเอียดหน่อยคือมันเอาวิญญาณวิญญาณคือมันรู้ได้ตัววิญญาณมันไปนรู้ตรงไหนจิตมันก็รู้สึกได้รับรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นมามันมีวิญญาณอยู่ที่ตาจิตมารับรู้วิญญาณที่ตายก็รู้สึกที่ตาจิตวิญญาณยังไม่ได้ตายไปไหนแต่ว่าคนตาย ทายสุดเนี่ยมาเห็นคนตายสุดสุดตายก็ยายอาตมาเนี่ยละ่นะยายอาตมาอายุเก้าสิบหกปีเนะสียชีวิตที่เสียชีวิตก็เพราะว่าตายสุดมันหมดเลี่ยวหมดแรงกนะ็ย่าเสียชีวิตทิ้งตอนอายุประมาณ9ก้าสิบสามปีแต่ว่าตอนนั้นไปดูใจท่านนะ เช้าไปดูใจท่านจากวัดป่าสุโตไปถึงประมาณสองโมงเช้าแล้วก็ไปดูให้กำลังใจคนแก่ผู้สูงอายุบรรพบุรุษของเรายายที่บวชมาทั้งหมดนะตนมความดีเนื่องจากยายสอนมาดีเคยกวาดเคยตีเคยไม่เลียวยายเคยชี้เคยนำเคยด่าเคยพร่ำบ่นสอนอยูนะ่ทำให้หลานวันนี้ได้มาบวช ดพานความดีทั้งหมดนีก็ขอยกขยายคนเดียวนะบุญทั้งหมดยกขยายคนเดียวใยญ่เป็นนมือซะทุต่ อ, อยุคให้อีกสมปีวันนั้นก็เตียงแล้วที่หมอก็จะถอดนะเครื่องไม้เครื่องมือนะให้กลับไปตายที่บ้านแต่ว่าด้วยผลบุญนะเดชะบุญนะจังหวะนั้นพอดีก็ยืดอายุบุญเนี่ยต่อไปได้อีกสามปนะีอายุเ6้าสิบหก่าแม่ ก็โทรมาบอกเออยายเสียชีวิตแล้วลูกชายโทรมาบอกอีกทีหงหลวงพ่อทวดเสียชีวิตแล้วอยู่ที่สะเดียบหลวงพ่อจะไปไหมเออไปไปไปไปไปวันเผาไปดูไปก็เราหลืมตาโพงเลยโยตาลืมโพรงถ้าดูแลขนหัวลุกปากอ้าตายตา ย, ตายไม่หลับ เราก็มองดูว่า อ, อันนั้นเป็นหนึ่งกรณีหนึ่งก็คือธรรมชาติของร่างกายที่มันแก่แล้วอะไรก็ไม่เข้าที่เข้าทางนะกล้ามเนื้อเกรงหรือว่ามันไม่ทํางานบางจุดมันก็บงังคับบัญชาไม่ได้นะไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนีนะ่ก็ณลยใที่หนึ่งนะใจท่านอาจจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ตอนใกล้ตายก็ไดใครจะรู้อย่างนะี้นะประการที่สองก็คือห่วง คนตายตายไม่หลับก็เรียกว่าห่วงห่วงลูกห่วงหลานวันนั้นก็สังเกตดนะูลูกสาวมีคนหนึ่งก็เป็นเป็นเมียของทูตครนี้ทูตก็กลับมาจากต่างประเทศพร้อมกับเมียเนี่ยละนะแล้วก็รอรอรอรอรอรอนะรอจรกรทั้งมีนานาชายที่เขาดูแลอยู่นาะตู่นะ้าตู่ก็บอกว่า จีตมาถึงแล้วจะล้วกับลมลมหายใจไปตอนนั้นเลยนะพอได้ยินว่าจีตมาถึงแล้วแต่ตายังลืมมองหายอยู่อยู่ไหนอยู่ไหนอันนี้ก็ตาลืมนะก็บอกถึงความห่วงใยอย่างนะี้อันนี้เราตายกันตาไม่หลับทีเดียวนะเราก็เลยนี่แหละเวลานอนแล้วก็นอนไม่หลับมันก็บอกถึงเวลาตายก็ตายตายไม่หลับนจิตมันไม่หลับนะตามันก็ไม่หลับ ก็สังเกต เ, เวลาเราปฏิบัติด้วนะถ้าใจเราตรึงมันไปตรึงมันไปยึดอยู่อารมณ์ตกค้างอยู่น้ามันก็ตึงเหมือนกันนะจิตมันโกรธน้ามก็โกรธจิตมันลักน้ามก็ลักจิตมันยิ้มน้ามก็ยิ้มมันเหมือนกันภายนอกภายในจิตปกติหน้าตามันก็ปกติวาจามันก็ปกติมันสภาวะของปกตินะคือสภาวะที่เราจะต้องเรียกว่าคนให้พบสัมผัสให้ได จริงๆมันมีอยู่แล้วล่ะภาวะตรงนี้แต่ว่าเราไม่ทันความคิดเฉยๆหรอกนะความคิดมันเกิดขึ้นไหลตลักจากที่สูงลงที่ต่ําตลอดเวลำเวลาตลอดหักกลับเราก็นั่นแหละตรงนั้นแหละคือตัวปัญญามันก็จะเห็นความเป็นปกติเห็นจิตที่เฉยลงเห็นจิตที่มันไม่รีบไหลไปตามกระแสกระแสมีเยอะกระแสงสังคมกระแสของหมู่มากลากไป กระแสของนะกุศลนะกุศลต่างๆกระแสของบุญของบาปของสุขของทุกข์เป็นกระแสนะก็เรียกจริตนิสัยนั่นแหละนะมันดึงดูดนะเวลาเผลอหลงก็ไหลปื๊ดไปเลยนะเวลาเผลอหลงปั๊บมันก็นะไปตามเจตคตกรรมทันทีเนะมื่อเรารู้สึกตัวเนี่ยตัวเวรนะบรกเบรกมันทําให้เกิดความเป็นอริยะขึ้นมาตรงนั้นนะพอรู้สึกตัวครั้งหนึ่งอริย น, น้อยๆก็ปรากฏขึ้นมาครั้งหนึ่ง เหมือนกับเมื่อวานที่บอกว่าน้ำเนี่ยต้องมาไหลลงต่าํนะาเมื่อไหลนะน้ําแม่น้ําใหญ่ๆ ใ, ในโลกใบเนี่ยหักกลับเมื่อไหลตรงไหนก็ตามตรงนั้นเกิดอรยธรรมขึ้นมาอรยธรรมต่างอริยธรรมแม่น้ำของแม่น้ำห่วงเหือต่างๆมันมีอยู่แล้วก็มักจะเป็นรอยหักกลับทุกจุดแนะม่น้ําแยงซีเกียงแม่น้ําสารพัดนะั่นแหละนะในโลกใบนี้เหมือนกันจิตของเรานนะัเป็นกระแสกระแสของทุกนะน้ําใจนะ บางคนก็มีน้ําใจน้ําจิตอย่างเงี้ยนะมันไหลไปมันมีความอ่อนไหลอ่ อ, อนอ่อนไหวนะมันมีความอ่อนแอจิตของเราเนะี่ยไอความอ่อนนะก็มีความอ่อนโยนอย่างเี้ก็ไหลไปเมื่อเราเห็นนะจุดที่มันหักกลับมันนิ่งได้เมื่อเกิดอริยะขึ้นมานเกิดอาริยะขึ้นมาน ะ, เ ก, าะนานะเกิดเป็นอาจารละขึ้นมาไม่ใช่อุจาระนะอุจจารามของเหม็นนะเนะี มันไปทางเสื่อมแท่อาจารละเนยมันไปทางสูงนะี่ยมันก็เป็น เ, เป็นภาษาอย่างเดียวมันเป็นอาการนะแต่เรารู้สึกตัวรู้สึกตัวก็เห็นรู้ตื่นเบิบ่บานตื่นตาตื่นใจวิปัสนาตัวเนี้มันจะเห็นอยู่ในภายในนะเห็นกายสักกายไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาเห็นเวทนาสักแว่าเวทนามันหยุดนะไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาจุดอะไรยิยนะไปหนึ่งเนี่ย เห็นจิตในจิตอย่างเงี้ยจิตคิดเก่งไปหาดูจิตหาไม่เจอนะแต่ดูอาการของจิตนี่เจอนมันกระพริบมันกระดิกมันสะเทือนอย่างเงี้ยแต่เราสะเทือนตรงนั้นนะนะมันก็หยุดลงได้นะเคยทุกข์ก็ไม่ทุกข์เคยโกรธก็ไม่โกรธนะะเคยรักเคยจังเคยได้เคยเสียงดำก็ปกติขึ้นมาไม่บวกไม่ลบมันจิตนะเห็นธรรมสภาวธรรมเคยไปกระตา ดูรูปก็พอใจไม่พอใจฟังเสียงก็พอใจไม่พอใจมันอยู่เหนือไม่ได้นะมันปกติไม่เป็นพอเขานินทากับบายละก็คำานินทาแฟบเหี่ยวไปเลยพอเขาเสดก็กระฟูพอพัดพาจากของรักของชอบใจก็เหี่ยวพอได้ดังใจก็ะฟูอย่างงี้ปรารถนาได้สิ่งนั้นปรารถนาสิ่งใดได้สิ่งนั้นะฟูขึ้นมา พปรารถนาไม่ได้เงี้ยเหี่ยวไปเพราะสังคมมนุษย์ก็ยังว่าแล้วนะมีเศรษฐกิจสังคมการเมืองบางทีเราก็ถือหางฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ฝ่ายนูน้นบางทีเราก็ตั้งหวังเอาไว้นะเช่นว่าเศรษฐกิจการเมืองเงี้ยบางทีมีขึ้นมีลงขาขึ้นก็มีขาลงก็มีจังหวะเราไม่มีกําลังนเราก็อยยงหยิบมันหยิบไม่ถึงเงี้ยมันสั่นเต้เต้เ เสร็จแล้วก็เกท้อไปซะก่อนแล้วก็เยงมาไทายจนก็อ่อนแอไปเลยเพราะว่านะมันไม่มีศิลปะในการย่อกระโดดหยิบอย่างเงี้นะมันมีการที่จะยอมที่จะลดตัวเองลงมามันลดตัวเองไม่ได้เพราะว่าทิศที่มาหน้าหางการบำงการอัตาตัวตนความเปยงลำพองโทรดนองมันยิ่งใหญ่มากมันก็เลยไม่ยอ่อลงมาไม่อ่อนนอ้อมลงมาอย่างเงี้ยแล้วกระโดดใหม่อันนั้นนต้องใช้พลัง เพราะนั้นมันต้องมีการอ่อนโยนนะอ่อนลงมาน้อมลงมาให้ตัวนี้จะเป็นตัวผ่านที่ดีแล้วก็น้อมลงมา ห, หยุดซะที่เคยไหลไปไหลไปตามเศรษฐกิจสังคมการเมืองอย่างตอนนี้หลายคนเสียดายหุ้นมันขึ้นมาสังคมไทยตอนนี้โอ้นักเล่นหุ้นเนี่ยป ร, กรากฏว่ากาลังซื้อกันใหญ่เลยต่างประเทศลุมเงินขา ย, ขายตอนถูกถกซื้อไว้นะ ก, ก็เสียดายกัหลายคนนะนักธุรกิจเนี่ยไอที่พูดในประเด็คิดต้นดาวเอานะแต่ว่ามีโอกาสได้สนทนาคนกลุ่มนี้ก็นะ ก, ก็บอกว่าก็กําลังเลยช่วงนี้ น, ะน้ำขึ้นรีบตักกันใหญ่เล ย, อยตอนช่วงน้ําลงก็หยุดรู้อันนี้ก็นักกรรมฐานหลายคนนะที่มีอาชีพแบบนี้ก็รู้ช่องรู้ทางนะก็กลับเป็นว่าเอาไปใช้ประโยชน์ได้ ถึงเวลาเสียก็เสียอย่างไม่ทุกข์ถึงเวลาได้ก็ได้อย่างไม่ต้องสุขหลงระเริงอย่างเงี้ยเพราะมันคืออาชีพเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมโยงไปหากิจนวะัตรประจําวันหรือว่าวิถีชีวิตโลกเคยเป็นนะโลกก็ไม่ช้ำทำก็ไม่เสียนะหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าพอปฏิบัติธรรมแล้วก็ทิ้งโลกมันก็ไม่ใช่นะพออยู่กับโลกก็ไม่ปฏิบัติธรรมอันนี้ก็ไม่ใช่นะมันไปด้วยกันนะ การนั่งการเดินการยนืนการนอนที่ไหนมันก็มีจึงไม่ต้องเลือกชุดเวลาจะมาวัดต้องเลือกชุดขาว ช, ชุดนั้นชุดนี้แต่ว่าเลือกไหนก็ดีสังคมชาววัดชุดขาวดีมีสบายเนี่ยดีอย่างวัดภูเขาทอ ง, งเนี่ยหลวงพ่อท่านก็มีป้ายติดในเขา ว, วัดเก่า ว, วานะมันหายไปแล้วสบายจากวัดอะไรประเภทนี้ก็ปลุกเล่าขึ้นมาแต่ว่าวัดป่าสุกตัวก็ค่อยเป็นค่อยไป <c oughs> วิถีชีวิตวิถีชุมชนนะ คล้ายๆกัคนมีปัญญา <c oughs> แล้วก็มาอยู่ร่วมกันหลากหลายเพราะนั้นค่อยๆปรับค่อยๆปลุงกันไปจนกระทั่งมันเข้าช่องของวัฒนธรรมประเภณนี้ได้ลักษณะของอนุรักษ์นิยมต่างๆแต่ของเราก็ไม่ใช่อนุรักษ์นิยมจันจาเกินไปนักพอ <c oughs> ก็จริงก็หลายคนก็เป็นลักษณะของยืดหยุ่ น, น <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไร <c oughs> อยู่เนือมมุิกันไปประเภทนี้ก็มี มันก็จึงเป็นการกลมกลืนแล้วก็เกี่ยวข้องกันนะการอะไรก็ตามไม่ต้องทุกต่อไปใน เ, เพราะในใจเราที่มีความเป็นปกตินะเป็นลักษณะของความรู้สึกตัวที่ไม่ได้เลือกชุดนะเวลาทุกไม่ได้เลือกชุดเพราะนั้นเรารู้สึกตัวเราก็ไม่ต้องเลือกชุดรู้สึกตัวไม่ต้องเลือกสถานที่รู้สึกตัวไม่ต้องเลือกเวลาเพราะงั้นนะความรู้สึกตัวมันจึงเป็นสากลแหง่งธรรม เป็นลักษณของปฏิหารแห่งการตื่นอยู่เสมอตรงไหนก็ได้ในสถานที่นอกสถานที่แต่ว่าช่วงที่เรามาอยู่กันที่นี่เราก็ต้องใช้สถานที่ฝึกหัดกันรับรู้รับทราบเรียนรู้ฝึกหัดจนทั้งจานานนะการเคลื่อนมือนี่ถ้าหากว่าเคลื่อนแล้วจิตไม่ปกติจะเคลื่อนไม่ได้เลยจะงอค่วงทันทีจะซึมทันทีจะเบื่อทัน ท, จนทีจะเก๊ะจะเกรงทันตี ไม่สนุกมันจะทุกขันทีคราว น, ะ น, นี้ถ้าใครเคลื่อนจะกระัทงมันปรับเนื้อปรับตัวแล้วก็ผ่อนคลายรู้สึกว่าผ่านได้ตัวนี้เราจะค่อยๆเห็นนะเวลาคิดไปกลับมาเวลาง่วงไปกลับมาเวลาจิตของเรามันบวกมันลบมันมเป็นบุญเป็นบาปกลับมานะก็คือคิดดีก็ไม่เอากลับมาคิดไม่ดีก็ไม่เอากลับมาภาษาธรรมะเรียกว่าปุญญาที่สังขาร ปุญญาที่สังขารนะกลับมาสูนะ่ความรู้สึกตัวซื่อๆนะรู้เฉยๆให้ได้นะเพราะฉะนั้นการเคลื่อนมือรู้สึกเฉยๆนะตัวนี้ต้องหาให้เจอทําให้ถึงนะจนสัมผัสได้ตรงนี้เราคือตัวกรรมฐานนะตัวพักจิตพักใจนะแล้วก็เป็นตัวภักกายด้วยการเคลื่อนหยุดแต่พอดีเรียกว่าวางใจกลางวางกายไกลๆนะตัวที่จิตใจเรารู้แต่พอดีเราวางใจกลางๆสมดุล มันเป็นตัวมัจจิมาปฏิปทาถ้าเราเพ่งจี้จ้องเกินไปในเป็นตัวอัตต า, ก, ะะากิริมาถานโยคทำแล้วรู้สึกว่าหนักใจรู้สึกว่าเหนื่อยใจไม่รู้สึกว่ามสบายในื้สบายตัวมันเก๊กมันเกร็ง น, นะมันเพ่งมันจ้องอีกตัวนึงก็คือไม่เอาละกบเกลื่อนไว้ก่อนนะลดฐานมาเนินจากกรรมฐานไปทําดีกวา่าให้มันสะอาดซักผ้ามันสะอาดอาบน้ําอาบท่าอย่างนี้น ช่วยทำครัวต่างๆหรือว่ามีความดีอะไรในวัดเก็บขยะบ้างทุกเรื่องทุกราวที่เป็นเรื่องของการทำดีที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบนี้ก็คือมันลดฐานมาเนิดหนึง่งไม่เป็นไรแต่ว่ามันอยู่ในช่วงของการทำเป็นลักษณะของปุญญาที่สังขารกายสังเกตถ้าเรางดไว้ก่อนแล้วเราก็ผ่านด้วยการที่สร้างความรู้สึกตัวจนกทั้งเหมือนกับว่ามันเข้าใจอารมณ์ ผ่านความคิดที่มันคิดจะพาไปทํานั่นทนํานี้ทำโน้นนะ่ยตัวนีน้มันจะเป็นตัวพัฒนาได้ไวแต่หลายคนเดี๋ยวนี้คำํำนะผู้ต่างๆที่มันชวนให้เราเหมือนกับว่าไม่รู้สึกตัวในรูปแบบอย่างเดียวมันมีอยู่เยอะนะอันนี้เราก็เลือกเอาเองแล้วกันที่เห็นว่ามันไปไม่รอดจริงๆก็ถอยก่อนนะที่เรียกย่อกระโดดหยิบเนี่ย น, นะนะก็ถอยถอยถอยแต่อ ย, อ, ย อ, ยอยู่ทางโลกแล้วมันไปทางโลกไม่ได้ก็ยอ่อเข้ามามาอยู่ทางธรรมก่อนมาวัดมาว่า หาปราหาเจ้าสนทนากันมีปัญหาอะไรอย่างนี้นะเรียกว่าย่อมาถอยหาเพื่อน ห, นหากาลยาณมิตรเพื่อชี้ทางสว่างให้เสร็จแล้วเราก็ไขควรดูว่าอะไรเหมาะกับเราทิพย์การที่เจอก็คือเมื่อเราลงมือปฏิบัติแล้วนะแล้วมันก็ไปไม่รอดอันนี้เราก็ต้องถอยเหมือนกันนะะหลายคนก็จึงปฏิบัติไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องไปทํำให้นั่นทําให้นี่ทําให้นู่นนะฮะก็ได้เหตุที่ว่าเราจะต้องทำํำจนกระทั่งทำถึงแล้วก็ผ่านได้ เมื่อเราทำแล้วผ่านได้เนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกว่ามีพลังใจขึ้นมามีกําลังใจขึ้นมาถึนะตงตรงนี้ไม่ต้องให้กายบอกมันเป็นศรัทธาสมยุทธ์กําลังพละห้าสี่ห้ามเกิดขึ้นมะามันเป็นเรื่องของศรัทธาบวกกับปัญญาขึ้นมาตอนที่เราอยู่ทางโลกนะมันมีปัญหาเราก็มาทางวัดคิดว่ามันจะมีปัญญาแต่พอมาที่วัดแล้วมันจะเกิดปัญหาอีกเหมือนกั น, ไ อ, น, นไอ้นันไอเ น, นี่ยนวลเงี้ยนะ ก็จต้องปรับไปปรับมาปรับมาปรับไปโลกธรรมโลกธรรมโลกธรรมโลกธรรมจนทั่งมันเกิดความเป็นกลางนะความเป็นปกติสมดุลขึ้นมานะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอินทรีหพละ5เกิดขึ้นมาก็มีกําลังขึ้นมาความขยันเราก็ไม่ขยันขึ้นเพราะว่าสมาธิมันมากกว่าเราชอบความสุขในการนิ่งสงบนะเกิดความโล่งขึ้นมาโปร่งขึ้นมาอย่างเงี้ยในความสงบนะรู้สึกมันสบายอย่างเงี้ย เราก็จะเลือกนิ่งเคลื่อนไหวแล้วก็ไม่เคยชอบเคลื่อนไปเคลื่อนไหวที่อะไรมันก็หนักทุกทีอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นสมาธิมันก็จะมากกว่าตัววิริยะพอเราเวิริยะลงไปมันก็ตื่นมากเกินไปนะมารู้สึกขยันมากเกินไปเคลื่อนไหวเร็วเกินไปอันนี้มันก็จะเดินจึ๊บจึ๊บจจจึกลับไปกลับมาอย่างเห็นตอนนี้แม่ชีจีนเครื่องใ น, เ, นเห็นแต่ว่ายังไม่ได้แก้ให้เพราะว่าตอนหลังนี่ไม่ได้สมมุติ นะตัวเองว่าเป็นพระที่จะต้องออกคอยดูนักปฏิบัตนะิสมมติให้หลวงตากรมโดนใจของอาตมานะแต่ว่ามีโอกาสข้าวแบลน็นึงไปงานก่อสร้างในเขตของอุบาสิกานะไปดูช่างอมาเท ป, ปูนะเห็นแม่ชีจีนเดินเร็วมากเดินไปเดินมาแล้วก็ทุกครั้งก่เห็นเดินเร็วอย่างนั้นจริงๆควรแก้ให้เกิดความพอดีนะให้ก็เดินเร็วบ้างช้าบ้าง เป็นตัวแก้อารมณ์เฉยๆแล้วความพอดีคือเดินธรรมดาธรรมดาธรรมะธรรมชาติคือความเป็นธรรมดานะีต้องมีคนไปบอกนะให้เข้าได้เหมือนกับว่าปรับนะจนเกิดความพอดีอันนี้จุดนี้มันจะเกิดปัญญาขึ้นมานะมันจะเห็นอาการแวบๆของความคิดขึ้นมาบางทีมันเพ่งจี้มากไปมันก็เลยไปอยู่กับฐานกายนะพออยู่กับฐานกายก็เลยเป็นการสติปักลงไปในฐานกายไม่ใช่ปัด จะรู้เป็นยังหวะรู้เป็นยังหวะรู้จะเป็นยังหวะแบบลูกโซ่มันกลายเป็นรู้นะแล้วเป็นเหล็กเส้ น, นขึ้นมาทื่อขึ้นมาอ่เงี้ยอันนี้บัญญาก็ไม่เกิดเงีแต่ว่ามีความสุขในการปฏิบัติจะรู้สึกว่าเออมันสงบความคิดไม่มีนะจริงๆแล้วการปฏิบัติธรรมนี่นะตามความเข้าใจของตัวเองนะที่สัมผัสเนี่ยก็คือลักษณะของความคิดเนี่ยนะเห็นมากเท่าไหร่นะดีใครทำแล้วฟุ้งซ่านมากเท่าไหร่นะคือตัวดี เพรา่ามันจะเห็นล่องรอยของความคิดนชัดวิปัสสนาเพื่อเห็นกายกันไหวและเห็นใจคิดนึกนะเพราะฉะนั้คิดมากเท่าไหร่เราเห็นรอยของสมมตบัญญตัติไอ้ตัวนั้นนะคือหลังของความทุกข์ความทุกข์ทั้งหมดรวมลงที่ความคิดทั้งหมดเลยใครปฏิบัติแล้วฟุง้งฟุ ง, ฟ, งฟุงนั่นแหละคือตัวของดีนะคิดมากเท่าไหร่รู้มากเท่านั้นนะถ้าไม่คิดเลยแสดงว่าอยู่ในสมถะเรียบร้อยแล้วนะจิตของเราเนะี่ยมีแตก เหมือนกับว่าความนิ่งความสงบนะและท้ายสุดพอหยุดปฏิบัตินะทุกเหมือนเดิมพอเจอเข้อสอบสอบตอกทันทีนะ น, น, นี่ก็พูดไว้ชี้เป็นร่องเป็นรอยว่าเออลองสังเกตดนะูความพอดนะีของการเคลื่อนการไหวนะกับพอดีที่เราจะแยกคายนะตามรู้การเคลื่อนไหวรู้ละปล่อยเป็นเปาะรู้ละปล่อยเป็นเปละรู้ละปล่อยเป็นปลอเพราะฉะนั้นวินาทีหนึ่งรู้ครั้งหนึ่ง นะวินาทีหนึ่งรู้ข้างหนึ่งวินาทีหนึ่งรู้ข้า ง, งอันนี้ได้ยินมาสองคนละหนึ่งก็คือหลวงพ่อคำเขียนท่านก็บอกว่าวินาทีหนึ่งรู้ข้างหนึ่งวินาทีหนึ่งรู้ข้างหนึ่งคนที่สองก็คืออาจารย์กําพลทองบนนุ่มอาจารย์กําพลนี้ท่านฝึกท่านไม่มีกาลยานมิตรไม่เหมือนพวกเรามีครูบาอาจารย์มีเพื่อนปฏิบัติ เราเห็นเพื่อนเดินตั้งใจเดินดีหน้าตาเขผ่อนคลายแล้วก็สบายไปด้วยทีนี้อาจารย์กับบนท่านไม่มีนอนอยู่บนเตียงฝึกกรรมฐานอยู่คนเดียวท่านใช้เสียงนาฬิกาเป็นเพื่อนวินาทีนึงรู้ครั้งหนึ่งแทกแทกแทกแทกแทกแทกเนี่อยอันมาก็เคยใช้นะเคยใช้กับ ลักษณะของนักป็นบัติคือเคาะเป็นวินาทีแท็กแท็กแท็กแท็กเพื่อให้วินาทีหนึ่งก็เคลื่อนรู้ครั้งหนึ่งวินาทีหนึ่งเคลื่อนรู้ครั้งหนึ่งเพื่อให้เขาเกิดปัญญาสามารถจับได้ว่าหนึ่งวินาทีในความพอดีน่ยมันมีความผ่อนคลายอยู่ในตัวมันมีตัวรู้กับตัวละอยู่ในตัวเพอาะลุแล้วยึดเป็นสมถะทะู้แล้วปล่อยรู้แล้ววางเป็นจังหวะจังหวะเนี่ยวิปัสนาญาณจะเกิดไว เจตนากำหนดรู้แล้วก็ปล่อยทันทีเจตนากำหนดรู้แล้วก็ปล่อยทันทีเพ่งรู้แล้วก็ถอนเพ่งรู้แล้วก็ถอนไอตัวถอนนะั่นแหละทาให้เราเกิดดิปัสสนาขึ้นมาเป็นความพอใจไม่พอใจทั้งหลายทั้งปวงนัมันถอนออกทั้งหมดนะมันก็เลยลักษณะว่าสัมผัสกับความรู้สึกตัวได้ไวนะมันไม่ได้ช้านะเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์บางทียิ่งบอกก็ยิ่งทําไม่ได้ก็ได้เนะพรมันจะไปคิดทําะ แต่ถ้าใครที่ทําอยู่แล้วนะพอฟังแล้วมันก็ mm. อ๋อเลยเนี่ยอ๋ อ, อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อย่างเงี้ยมันก็เทียบเคียงได้ก็กลายเป็นประสบการณ์เดียวกันนะแล้วก็กลายเป็นช่องทางร่องรอยที่ไม่หลงทิศลงทางเพราะครูบาอาจารย์ท่านก็พูดมาอย่างนี้นะแล้วเราก็ได้จํามาพูดเราก็ทำมาอย่างเงี้ยนะไอ้สิ่งที่ทําก็บสิ่งที่ท่านพูดคือสิ่งเดียวกันแต่บางทีไม่มีที่เราอ๋อไอ้สิ่งท่านพูดอยู่ตรงนี้ะ สักวันหนึ่งเราก็อาจจะสัมผัสเหมือนกันต่อมาก็คือเมื่อเราสัมผัสได้เราก็มีสติรละลึกรูกก้อันนี้นก็คือความพอดีที่จะนะเกิดขึ้นมาเองโดยกฎของกรรมฐานกฎของธรรมชาติเราไปคิดทำก็ไม่ได้นะการผ่อนการคลายก า, ก, การเก๊กการเกรงอะไรพวกนีน้เราก็ต้องสังเกตเอาไว้ล้าเพลอไปอยู่กับความคิดเราก็สังเกตเอาด้วยลมีความพอดีเราก็สังเกตเอานะ เราก็เลยเป็นเรื่องของใครของเราที่จะต้องนะทั้งวันนะตื่นยันหลับนะมีกรรมฐานไปในกายนะในรูปแบบนอกรูปแบบการ น, นั่งการเดิดกเนการเย็นการนอนยางนั้งเห็นสรรพสัตว์สรรพสิ่งนะก็คือเห็นนะตัวเองที่เป็นธาตุธรรมรูปธรรมนามธรรมต่างๆนะที่เป็นขันนะมันก็แสดงออกมารูปว่าขันหรือว่าวิญญาณขันนะ สัญญาขันสังขารขันเนะวทนาขันต่างๆจนถ้ า, นะามันเป็นตัวที่ปรุงแต่งเป็นตัวสังขารนะปุญญาที่สังขารปัญญาทีนะ่สังขารเป็นลักษณะของดีของชั่วต่างๆที่แสดงออกมาในกายในวาจาในจิตใจของเราเนื่องจากตัวหลงตัวรูนะ้เป็นบุญก็ตัวรู้เป็นหลงนะก็ตัวหลงนั่นแหละนะที่มันจะแสดงออกมาให้เราได้เหมือนก็ว่าเกิดประสบการณ์นะ ในการเดินทางสู่การพ้นทุกขนะ์มันก็จึงนะเป็นเรื่องเดียวกันทุกคนนะไม่ไม่เหมือนกับว่าทำคนละอย่างนะอีกคนนึ่งทำกลัวอีกคนนึงก่อสร้างอีกคนนึงไปเก็บขยะอีกคนนึงไปงานบริการดูน้ําดูไฟอีกคนหนึงฝึกในรูปแบบจริงๆก็สิ่งเดียวกันนะทุกครั้งจะทําอะไรก็ตามก็มีความรู้เนื้อรู้ตัวนะมันก็จึงไม่เหมือนกับที่หลวงพ่อท่านบ่น หลวงท่านบนหมายถึงว่าเมื่อวานท่านเทศนะเหมือนกับว่าเรานะบกพร่องกันอยู่พระสงฆนะ์แต่ญาติโยมเขาไม่บกพร่องญาติโยมไม่บกพร่องเพราะว่าเขาคิดดีแล้วนะนำอาหารมาให้กนะุลีกุจอนะทำกลัวกุลีกุจอที่จะทำอะไรหลายๆอย่างเดวยว่าพวกผูก้หญิงนะเป็นพวกที่นะสนับสนุนนะเป็นกองหนุนที่ทาให้เราต้องนะเหมือนกับว่า ประมาทไม่ไดนะ้ก็ต้องเหมือนกับว่าใช้เครื่องแบบรูปแบบนักเรียนในเครื่องแบบนั้นแนหะให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยว่าเรื่องจิตตภาวนานะมันเป็นลักษณะของวิปัสสนาทุละมันะไม่ใช่คันธาทุละที่เราจะต้องไปทําอะไรกันมากมายนะเราก็จะต้องเหมือนกับว่าเป็นเซียนเลยนะเป็นปรามาจารย์ก็ว่าได้นะฝึกขัดมาพระเจ้าเนี่ยหปีค้นหาหนะลวงประเตียนท้าทาย3ปีไม่เกินนั้นนะ เราก็จะมีเหมือนกับความไม่ทุกเกิดขึ้นมาความทุกจะลดลงหายลงไปอย่างน้นอยๆก็อนาคามีถึงขั้นก็คือเป็นพระลรหัน์ไปเลยอย่างนั้นนะหรือว่าบางทีไม่ต้องเอาคําว่าพระลรหัน์ก็ไดนะ้เป็นแค่รู้สึกตัวแล้วไม่ทุกแล้วจะเอาอะไรอีกนะหลวงปู่เทียนท่านบอกจะเดินดินกินข้าวแกงกับพวกเรานะีนะ่ล่ะจะทําอะไรไปกับพวกเรานะแล้วก็ไม่ทุกนะถ้าแน่จริงทําให้หลวงปู่เทียนกูดทิ้งซนะิอันมาใครฟังมามขาก็ฮึกบเฮือกัขาก็มาท้าทายนะ หลวพ่อเทีนพูดแบบท้าทายถ้าทําแล้วไม่รู้อะไรนะจะจ่ายตังค์อีกทางหากนะหนึ่งเดือนไม่รู้นะต่าเงินเดือ น, เ ด, อนเดือนละพันก็จะจ่ายให้นะเดือนละพันสามเดือนก็สามพันถ้าเดือนละหมื่นจะจ่ายให้3มเดือนไม่รู้รูปนามก็จะให้อยู่สาม0มื่นเราฟังดูแล้วก็โหกล้าท้าทายขนาดนี้ที่เดียวหรือนะแสดงว่าโอ้มันเป็นสัจจความจริงนาะอาจารย์หลอกลูกศิษย์ไม่ได้ลูกศิษย์ก็หลอกอาจารย์ไม่ได้นะ มาทำแล้วก็ต้องรู้เหมือนกันแล้วว่าสัจจะความจริงหลวงปู่เทียนก็จึงบอกว่ามันไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันสมัยว่การมีอย่างนี้รุ่นเรายุคเรามีถ้าทําถูกนะมันก็จะเป็นเหมือนกันกับพระเจ้าอย่างนี้นะหลวงปู่เทียนท่านก็ท้าทายผมเลอธรรมาก็ว่าเป็นอย่างนั้นแต่ว่าทุกคนก็จะต้องเหมือนกับว่าเกิดศรัทธาขึ้นมาก่อนเจอว่าออกทําอย่างนี้ยมันบรรลุทําได้การเกินมือสิบสี่จังหวะเนี่ย ถ้าเราได้ฟังเทพของหลวงพ่อเขียนเรื่องการบรรลุธรรมก็เห็นอ๋อการบรรลุธรรมในความหมายหลวงพ่อคือเวลามันคิดปั๊บแล้วกลับมาได้นะบรรลุธรรมเวลามันโกรธปับ๊บเปลี่ยนมาเป็นปกติได้แล้วบรรลุธรรมนะเวลามันเกิดอารมณ์สุขทุกข์ขึ้นมากลับมาเป็นปกติได้แล้วบรรลุธรรมนะมันก็เลยเป็นเรื่องของการบรรลุไปเรื่อยทุกครั้งที่มีความรู้สึกตัวเพราะนั้นก็ขอให้นะ การที่เรามาอยู่ร่วมกันปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะมากี่วันก็ตามก็ขอใหนะ้ความปฏิบัติเดีย๋ยของเราทั้งหลายนั้นนะหรือว่าการปฏิบัติธรรมของเราทั้งหลายนั้นก็จะเป็นไปเพื่อการบรรลุธรรมก็จงได้บรรเกิดนะกับพวกเราทุกคนในปัจจุบันขณะนี้ปัจจุบันชาตินี้โดยทัวนาการทุกท่านทุกคนทันเทิน